ทำไมพวกเราเข้ามาหาพระพุทธศาสนากันทำไมพวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันก็เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีกุญแจที่จะเปิดประตูให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง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 นี่คือคุกตารางที่พวกเรายังติดอยู่ยังหายังหากุญแจที่จะเปิดประตูออกจากคุกตารางนี้ไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงค์เราจะไม่ ได้กุญแจที่จะเปิดประตูให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่ได้เลยไม่มีใครในโลกนี้ที่มีกุญแจที่จะเปิดให้พวกเราได้ออก จากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้สรงค้นพบกุญแจที่จะเปิดประตูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมอบไว้ให้กับพร ะ, พระธรรม และพระ อ, อริยสงสาวกถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนก็ดีพระ อ, อริยสง์สาวกก็ดีเราก็จะได้กุญแจที่จะเปิดประตูแห่งการเปิดประตรูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่ เจ็บตายนี้ได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีกุญแจดอกนี้ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้นัที่คําสอนใดในโลกนี้ที่มีกุญแจดอกนี้ที่จะทําให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะผลิตกุญแจดอกนี้ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะมีลาบยศฉลเสริญมีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามลาบยศฉรเสริญสุขก็ไม่สามารถที่จะมอบกุญแจให้เราเปิดประตูออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะมอบกุญแจให้กับพวกเราเปิดประตูนี้ออกไปได้ประตูที่จะเปิดออกไปนี้ก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันประตูชั้นแรกเรียกว่าโสดาบันประตูชั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามี กุญแจชั้นที่ประตูชั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและประตูชั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์ก่อนที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เราต้องเปิดประตูสี่บานด้วยกันสี่ชั้นด้วยกันถึงจะสามารถออกจากคุกตารางนี้ไปได้ ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาหารหันต์เราก็จะได้รับกุญแจทั้งสี่ดอกเลยแต่ถ้าเราได้พบกับพระโสดาบันเราจะได้รับกุญแจเพียงดอกเดียวเพราะพระโสดาบันนี้ท่านมีกุญแจเพียงดอกเดียวแต่ท่านสามารถที่จะทจํากุญแจผีเปิด บานที่สองเปิดบานที่สามและเปิดบานที่สี่ได้ถึงแม้ว่ายัางไม่มีกุญแจท่านจะสามารถทำกุญแจใหม่ขึ้นมาได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเช่นสมมติว่าหลังจากที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วตายไปก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาติและในเจ็ดชาตินี้ท่านก็จะสามารถเปิดประตูอีกทั้งสามบานให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้กุญแจดอกนี้คืออะไร กุญแจดอกนี้ก็คือพระอริยาาสัจสี่นี่เองพระอริยสัจสี่คือกุญแจที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติวันตรัสสรุและวันปริณิพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงได้พบกุญแจดอกนี้ คือทรงได้พบกับพระอริยสัจสี่ในวันตัสรุนั่นเองในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่พระองค์มีพระชนมายุสามสิบห้าปีได้สเสด็จออกบวชอยู่หกปีด้วยกันทรงสเสด็จออกบวชอายุยี่สิบเกปีและหลังจากได้ทรงบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมอยู่หกปีก็ทรงสามารถพบกุญแจดอกนี้กุญแจที่จะเปิดประตูทั้งสี่ช่องให้ออกไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือบุคคลแรก ที่ได้พบกุญแจดอกนี้แล้วท่านก็ทรงนำเอากุญแจดอกนี้มาผลิตแล้วก็แจกใจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อมีความสนใจนาเอากุญแจดอกนี้ไปไขประตูของวั ต, ตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็ปรากฏมีผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาเพียงแปดเดือนเท่านั้นก็ปรากฏมีผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้อย่างน้อยก็สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยรูปด้วยกัน ก็คือในวันมาคบูชาคือแดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือนแดมาจนถึงวันเพ็ญเดือน3ระยะเวลาเจดเดือนไม่ใช่แดเดือนขออภัย8ปดสิบสองก็เป็นสี่ เดือนสามก็เป็นเจ็ดเจ็ดเดือนด้วยกันเจ็ดเดือนนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงผลิตกุญแจเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้นำเอาไปเปิดประตูให้ได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ทรงผลิตขึ้นมาอย่างน้อยก็สองพันห้าร้อย รูปด้วยกันพาาาระอรหันตาสาวกสอง0ันร้รูปได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทุกสารติโดยไม่เที่ยนนัดหมายกันคือหลังจากที่พระสาวกเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้เดินทางกันไปตามสารทิต่างๆ ให้แยกกันไปไม่ให้ไปคู่กันไม่ให้ไปเป็นกลุ่มให้แยกกันไปเพื่อที่จะได้กระจายพระอริยสัจสี่นี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้แล้วพอท่านไปเผยแผ่ก็ปรากฏมีผู้มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติ และได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากจนพอถึงวันเป็นเดือนสามเจดเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงผลิตกุญแจที่จะเปิดประตูให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ปรากฏมีผู้ได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า อย่างน้อยก็สองพันห้าร้อรูปที่ยังไม่ได้มานับที่ยังไม่ได้มาเฝ้าก็คงจะมีอยู่แต่เราไม่รู้กันเพราะว่าไม่ได้จาวด้ไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าผู้ที่ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นมีอยู่กี่รูปด้วยกันนี่คือความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ที่เป็นพ่อองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะค้นพบกุญแจดอกนี้ได้แล้วเมื่อได้สงค้นพบทุนแจดอกนี้แล้วก็มอบให้กับผู้ที่สนใจนำเอาไปปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติก็จะได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ หลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปพระพุทธเจ้าก็ฝากกุญแจดอกนี้ไว้ให้กับพระธรรมและพระอริยสงสาวกพระธรรมกับพระอริยสงสาวกก็ทําหน้าที่เป็นผู้ทําหน้าที่ผลิตกุญแจดอกนี้เอามาแจากจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะออกจาก คุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ผู้ใดสามารถน้อมเอาปัญญาดอกนี้ไปไขประตูได้ผู้นั้นก็จะเปิดประตูและออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือสาเหตุที่ทำไมพวกเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะมีกุญแจดอกนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จากพวกเราไปแล้วพวกเราก็เลยต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้าหาพระอริยสงสาวกเพื่อที่จะได้รับกุญแจดอกนี้ไปเปิดประตูคุกตารางของพวกเรากันเพื่อพวกเราจะได้หลุดพ้น ได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์นี้อยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่การพัดพรากจากกันนั่นเองถ้าไม่มีเกิด ก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพากจากกันและดังนั้นผู้ที่ไม่เกิดจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์คือทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่จะเกิดมาเป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นมหาจากักรพัฒมหาเศรษฐีก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายที่ตามมาจากการได้มาเกิดถ้าไม่อยากที่จะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นทุกข์จึงไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์จากการพัดพรากจากกันถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดจะต้องทําอย่างไรในปาลิยสัตว์สีท่านก็บอกแล้วว่าต้นเหตุของความเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากนี่เองสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากจากกันและเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์นี้คืออะไรตั้งเรียกว่าสมุทยัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์นี้มีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งกามาตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาถ้ามีกามาตัณหามีภวะตัณหามีวิภวะตัณหาอยู่ภายในใจใจนี้ก็จะต้องดิ้นไปเกิดใจนี้จะถูกตัณหาทั้งสามนี้เป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีก ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับรถยนต์ที่มีเชื้อเพลิงมีน้ํามันถ้าตราบใดรถยนต์มีน้ํามันรถยนต์ก็จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าจะไม่ให้รถยนต์นี้วิ่งไปไหนมาไหนก็ต้องไม่เติมน้ํามันรถถ้าไม่เติมน้ํามันรถน้ํามันที่อยู่ในถังขับไปอีกไม่นานมันก็จะหมด พอหมดแล้วก็จะไม่วิ่งไปไหนมาไหนได้อีกนี่คือน้ํามันรถเป็นตัวที่ทำให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนได้น้ํามันของใจน้ํามันของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตันหาทั้งสามนี้กามตัญหาคือความอยากในกามกามคืออะไรกามก็คือกามะคุณห้า รูปเสียงกิ่นรพโผฏฐะถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยู่นะก็แสดงว่าใจเรายังมีน้ำมันที่จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอยูนะ่ถ้าเรายังมีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ ถ้ายังมีความอยากแบบนี้อยู่ภายในใจก็แสดงว่าเรายังมีเชื่อเพลิงของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วถ้าเรามีวิภวตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ยังถือว่ามีเชื่อเพลิงในใจอยู่ เราต้องกําจัดเชื้อเพลิงทั้งสามชนิดนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ต้องตัดกามมะชันทะเช่นการมาถือศีลแปดนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการหยุดการเติมเชื้อเพลิงของกามะชันทะการมาบวชการมาปฏิบัติธรรม การมาอยู่แบบสมัคคีเรียบง่ายเป็นการมาหลัดกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาผู้บวชแล้วจะไม่มีตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่และจะไม่มีความอยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ยากจนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย นี่คือหน้าที่ของผู้มาบวชผู้มาปฏิบัติธรรมมาเพื่อทำลายตัณหาความอยากทั้งสามนี้เพราะไม่อยากจะทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายกับการพัดพรากจากกันนั่นเองผู้ที่มาบวชก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มาเจริญมรรคมรรคก็คือ ต้นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปถ้ามีมรรคผลก็คือนิโรธก็จะปรากฏตามมานิโรธคืออะไรนิโรธก็คือความดับของทุกข์นั่นเองคือความสิ้นสุดของทุกข์เรียกว่านิโรธนิโรธจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสตัญหา ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คืออริยสัจสทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็ได้อธิบายแล้วคือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพราคจากกันสมุทัยก็คือกามตันหาภวตันหาวิภวตันหามรรคก็คือการปฏิบัติธรรม เช่นการถือศีล8การถือศีลสิ 10, การถือศีลสองิบเจ็ดการถือศีล300กว่าของผู้ปฏิบัติสถานภาพต่างๆอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8สา ม, มนเณรก็ศีลสิบพระภิกษุก็227ร้พระภิกษุณีก็300กว่าอันนี้เป็นการมาตัด ปัญหาทั้งสามกันแล้วก็มาบําเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางกาม์ตันหาภาวตันหาและวิภวตันหาแล้วก็ใช้ปัญญาทําลายรากของกาม์ตันหาภาวตันหาวิภวตันหาคือความหลง ที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขถ้าคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขก็จะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดกามตัณหาขึ้นมาถ้าคิดว่าความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิ มหาเศรษฐีประธานาธิบดีนายกรบันตรีเป็นความสุขก็จะเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ถ้าไปเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายความยากตนความทุกข์ยากลาบากเป็นความทุกข์ก็อยากจะหนีจากมันไป ก็จะเกิดวิภวตัณหาขึ้นมาพอเกิดวิภวตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความหลงที่เราต้องมาแก้ให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะแสวงหาไม่ควรที่จะเข้าใกล้ เราควรที่จะอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสอนใจให้ฉลาดรู้ทันได้เวลาเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผลทัพอากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็จะหยุดมันทันทีเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่หยุดความอยาก เราก็จะต้องทุกทันทีนี่คือมัจเครื่องมือที่จะใช้ในการทำลายความทุกข์ให้หมดไปด้วยการละความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ด้วยการใช้ความจริงมาสอนใจที่ถูกความหลงครอบงาอยู่ที่ทางที่ยังมีความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจากเป็นดอกบัวอยู่เห็นว่าลาบยศสรรเสิญสุขนี้เป็นสุขพ่อไม่เห็นอะไรพาอไม่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่เห็นการดับของลาบยศสรรเสิญสุขนั่นเองไม่เห็นการพัดพลากจากลาบยศสรรเสิญสุขยังคิดว่าการมีลาบยศสารเสิญสุขนี้มีความสุขแต่พอไปพบกับความเสื่อมของลาบยศสรเสิญสุข ก็ร้องห่มร้องไห้วุ่นวายกันไปหมดถึงกับฆ่าตัวตายกันก็มีเวลาสูญเสียลาบยศสรรและสริญสุขไปนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะไม่มองอนิจจังไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ไปสั่งให้ราบยศสารสุขนี้มีแต่เจริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเราไปห้ามมันไม่ได้เราต้องคอยสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลง เมื่อไม่หลงก็จะไม่อยากที่อยากก็เพราะว่าไม่เห็นนั่นเองไม่เห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคิดว่าเป็นสุขได้มาแล้วก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปพอได้มาแล้วพอมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือ มรรคที่เราต้องเจริญให้มากตัวมรรคนี่แหละคือตัวที่ผู้ปฏิบัติมาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันมาสร้างกันก็คือมาสร้างอารยิยสัจสี่ข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่มันถูกสร้างมาด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากพวกเราเกิดมานี่ก็ความอยากพามาให้เกิดพอเกิดก็ทุกข์แล้ว ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องอแหวอแหวแล้วหิวนมหิวน้ำต้องหายใจเองแล้วอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายอยู่ในท้องแม่นี้ทุกอย่างสายเลือดของแม่เป็นผู้จัดการให้หมดแต่พอออกจากท้องแม่มาแล้วนี่ต้องทำเองทั้งหมด ต้องหายใจเองต้องรับประทานอาหารเองต้องดื่มเองต้องขับถ่ายเองพอออกมาจากท้องแม่ก็เลยทุกทันทีมีเด็กคนไหนที่ออกมาแล้วยิ้มหัวเราะบ้างไม่มีมีแต่ร้องกันทุกคนนั่นแหละนักปราชญ์จะเห็นความจริงอันนี้แต่คนง่อจะมองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ กับเรียงฉลองกันใหญ่โตพอได้ลูกมาดี อ, อกดีใจลูกมันไม่ดี อ, อกดีใจด้วยเวลามันออกมามันเอาแต่ร้องอย่างเดียวนั่นแหละคือทุกข์เนี่ยทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพวกเรายังไม่แก่กันเรายังไม่รู้ฤทธิ์ของความแก่ว่าเป็นยังไง ยังไม่รู้ลิ์ของความเจ็บ่า้ได้ป่วยที่ติดมากับความแก่คนแก่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บนี้แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยอยากจะฆ่าตัวตายกันทั้งนั้นเพราะมันทรมานอยู่กับร่างกายที่เจ็บ่ายได้ป่วยแล้วหมอก็รักษาไม่ได้มีแต่พยุงไปวันวันหนึ่ง ไม่ให้ตายไปทางนั้นคนที่แก่แบบนี้จึงมักอยากจะฆ่าตัวตายกันเพราะไม่อยากจะทนอยู่กับสภาพอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตันหายแบบหนึง่งความอยากฆ่าตัวตายขณะที่ยังไม่ตายอยากฆ่าตัวตายก็เป็นวิภาวะตันหาขณะที่จะต้องตายไม่ยอมตายก็เป็นวิภวะตันหายแบบหนึง่ง เวลาถึงเวลาจะตายก็ไม่อยากตายอันนี้ก็เป็นวิภวตันหาเวลาที่ยังไม่ตายเวลาแก่แล้วก็เจ็บปวดมีโรคร้ายติดตัวอยู่แต่ไม่ตายก็อยากจะตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภวตันหาหรือภาวะตันหาก็ได้ความอยากตายก็เป็นตันหาอีกแบบหนึ่ง นี่เป็นลักษณะของผู้ที่มาเกิดจะเป็นอย่างนี้ของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่จะเป็นอย่างนี้จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจเพราะว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้ดับด้วยความอยากตายหรืออยากอยากอ ย, กอยู่ความทุกข์ใจนี้ดับด้วยความระงับความหลงระงับความหลงที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา เมื่อไม่มีความหลงความอยากก็ไม่มีเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์เช่นคนที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาก็จะไม่หลงก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอยู่กับมันได้มันตายก็ปล่อยมันตายไป ใจนี้ไม่เดือดร้อนกับมันได้ไม่ทุกข์กับมันได้แต่ไม่รู้จักทาใจกันเพราะไม่มีปัญญามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตโมโหรานอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจจะรับไม่ได้สิ่งที่ทำให้ใจรับไม่ได้ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่างหาความอยากตัวนี้แหละที่สร้างทุกข์ใจขึ้นมาอย่างโมโหลานอย่างใหญ่โตจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงอยากจะฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นตัวความเจ็บเองหรือตัวความแก่เองแต่เป็นตัวความกลัวความแก่ความเจ็บนี้ต่างหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บนี้ต่างหา ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายคือตัวนี้ผู้ที่มีความจริงมีปัญญารู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับเข็มฉีดยามันไม่เจ็บรุนแรงขนาดไหนถ้าปล่อยให้หมอฉีดยา มันก็จะไม่ทรมานใจแต่ถ้าไม่ยอมให้หมอฉีดมันจะทุกข์มากถ้ากลัวเข็มฉีดยาไม่อยากให้หมอฉีดเนี่ยอันนี้แหละมันจะสร้างความทุกข์ที่ทนไม่ไหวรับไม่ไหวไม่ใช่เข็มฉีดยาไม่ใช่ความเจ็บความแก่หรือความตายแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ผู้ปฏิบัติต้องสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้ให้เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ใช่เป็นความทุกข์ความทุกข์คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต้องหยุดความอยากอันนี้ด้วยการใช้ปัญญามาหลงมาทำลายความหลง ที่คิดว่าเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องเอาปัญญามาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายร่วงพ้นความพัดพากจากกันไปไม่ได้สอนมันอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเห็นความจริงอันนี้เมื่อเห็นความจริงอันนี้ เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอการพัดพากจากกันนี้มันจะเฉยมันจะปล่อยวางมันจะไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากกันพอไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยภายในใจเหมือนกับตอนนี้ที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีความทุกข์ใจเลย เพาะตอนนี้เราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเลยถ้าเรารักษาสภาพแบบนี้ของใจไปเรื่อยๆพอเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรารักษาใจของเราให้ไม่มีความอยากได้ใจของเราก็จะเป็นแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเลย นี่คือมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราผลิตกันขึ้นมาเพราะมรรคตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะไปทำลายความหลงแล้วก็จะไปหยุดความอยากแล้วก็จะไปดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้มีมรรคเพียงอย่างเดียวและไม่มีใครที่จะสร้างมรรคให้กับเราได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สร้างมรรคให้กับพวกเราไม่ได้มรรคนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องสร้างกันพวกเราต้องมาภาวนากันต้องมารักษาศีลกันก่อนที่เราจะมารักษาศีลมาภาวนาได้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปถ้าเรายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ยังพึ่งเงินทองเป็นที่ดับทุกข์อยู่เราก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเวลาเราทุกข์เราก็จะใช้เงินเป็นเครื่องดับความทุกข์เวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันเวลาทุกข์ก็ไปดูหนังฟังเพลงกันมันก็ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาหาใหม่ เหมือนกับเวลาที่มีไฟลุกแล้วเราเทน้ามันลงไปในกองไฟน้ามันที่เราเทลงไประยะแรกๆเทลงไปใหม่ๆนี้น้ํามันยังไม่ร้อนมันก็เป็นเหมือนน้ำไฟที่ถูกน้ามันที่เย็นมันก็ทำท่าจะดับแต่พอน้ามันที่เทลงไปมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟที่ทำท่าจะดับกับลุกขึ้นมาใหญ่กว่า ก่อนที่เทน้ำมันลงไปชั้นใดนี่คือวิธีระ ง, งับดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเวลาทุกข์ใจก็ไปเที่ยวกันไปชอปปิ้งกันไปซื้อข้าวของกลับมาพอกลับมาถึงบ้านความทุกข์นั้นก็กลับเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหา สิ่งใหม่มาดับมันถ้าใช้เงินเป็นเครื่องมือแล้วไม่มีวันที่จะดับมันได้แล้วพอเงินหมดจะทําอย่างไรเงินหมดก็ต้องไปวุ่นกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาดับความทุกข์อีกถ้าไม่ทําทานไม่หยุดการใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์ก็จะไม่มีเวลาที่จะมามาบวชมาปฏิบัติธรรมได้ มาถือศีลถือศีลของนักบวชศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างมรรคคือปัญญาเพื่อที่จะมาดับความหลงที่ทำให้เกิดความอยากที่เป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาได้ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาสร้างมรรมาสร้างกุญแจที่จะเปิดประตูของการของคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องสละทรัพย์เราต้องไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆเพราะมันดับไม่ได้ แทนที่จะดับมันกลับทำให้ความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเทน้ำมันลงไปในกองไฟนั่นเองกองไฟมันจะไม่ดับด้วยน้ำมันมันจะดับด้วยน้ำเท่านั้นถ้าเราเทน้ำลงไปถ้าน้ำมันมีกำลังมากกว่าไฟไฟมันก็ต้องดับไปในที่สุดน้ำที่จะดับความทุกข์นี้ก็คือมครคนี่เองมรก็คือทานศีลภาวนา และเราต้องยุติการใช้เงินใช้ทองไปเพื่อดับความทุกข์ต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะเพิ่มตันหาความอยากใช้เงินใช้ทองให้มากขึ้นนั่นเองเมื่อเราใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกัน แต่ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์เราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาวัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศรรีลพอเรามารักษาศรรีลมาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเราได้เทน้าลงไปในกองกองไฟถ้าเราเทไปเรื่อยๆถ้าน้ำเรามีปริมาณมากกว่าไฟ ไฟในที่สุดก็จะต้องดับไปอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีดับไฟลดดับเพลิงเขาบรรทุกอะไรเขาบรรทุกน้ําหรือเขาบรรทุกน้ํามันเวลาไปดับเพลิงนี่เขาไม่บรรทุกน้ํามันไปดับเพลิงกันเขาบรรทุกน้ําไปดับเพลิงถ้าน้ํามีปริมาณมากพอที่จะดับไฟได้ไฟนั้นก็จะดับไฟแต่ถ้าปริมาณน้ํามีไม่พอ ไฟก็ยังจะไม่ดับเลยเขาก็ต้องเรียกรถมาเพิ่มเติมใบขนน้ํามาเพิ่มเติมเขาก็จะใช้น้ำนี่แหละดับมันจนกว่ามันจะดับไปในที่สุดฉนะันใดความทุกข์ใจของเราก็เป็นเหมือนไฟในใจของพวกเราที่พวกเราจะต้องใช้มรรคคือการปฏิบัติธรรมนี้มาดับนะเมื่อเราสละทรัพย์สมบัติ เงินทองเมื่อเราละวิธีการดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินใช้ทองแล้วเราก็มาหันใช้วิธีการรักษาศีลกับการภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการดับไฟในใจของพวกเราถ้าเรามีศีล ม, มีมรรคมีภาวนาที่มีกำลังมากกว่าไฟที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรา ความทุกข์ใจคือไฟที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะดับไปหมดถ้าความทุกข์ใจยังดับไม่หมดก็แสดงว่าน้ำดับไฟคือมรรคนี้ยังมีกําลังไม่พอเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติไปจนเต็มที่คือต้องปฏิบัติทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไป จะไม่ปฏิบัติก็ช่วงเวลาพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแต่พอเวลาตื่นขึ้นมานี้ต้องปฏิบัติทันทีวิธีปฏิบัติทันทีก็คือต้องตั้งสติทันทีสตินี้เป็นตัวนําของการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วตัวอื่นจะตามมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติสมาธิจะตามมาไม่ได้ไม่มีสมาธิปัญญาจะตามมาไม่ได้ ไม่มีปัญญาก็จะดับความทุกข์ไม่ได้นนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทําพอเราตื่นขึ้นมาก็คือตั้งสติเราใช้วิธีไหนตั้งสติเราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าเราใช้พุทโธตั้งสติเราก็พุทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมาปับ๊บเหมือนกับขึ้นเวทีไปปั๊บนี้อย่าไปรอให้คู่ต่อสู้มาต่อยเราเราวิ่งเข้าไปต่อยมันเลยคู่ต่อสู้ของเราคือใคร ก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นเองพอตื่นขึ้นมาปั๊บเริ่มรู้สึกตัวอย่าปล่อยให้มันใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้พอตื่นขึ้ น, นมาปั๊บก็ฟาดมันเลยด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะไปทําอะไรก็พุทโธไปลุกขึ้นจากเตียงนอนเดินเข้าห้องน้ำกบพุทโธไปล้างหน้าล้างตากบพุทโธไปอาบน้าอาบท่ากบพุทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปเอให้มีพุโทโธเป็นตัวนําไปเรื่อยๆแล้วคู่ศัตรูของเรามันจะไม่มีโอกาสที่จะมาต่อยเราถ้าเราหยุดต่อยเมื่อไหร่นั่นละ่ะหยุดพุโทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันมาละสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วอะไรจะตามมาก็ตันหาความอยากต่างๆก็จะตามมาทันทีะ กามตัณหาก็จะตามมาภาวะตัณหาก็จะตามมาวิภาวะตัณหาก็จะตามมาพอมานั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบเพราะโดนตัณหามันคอยมาเขย่าใจนั่งเดียวเดียวก็อยากจะไปดื่มกาแฟอยากจะไปกินขนมนั่งเดียวเดียวก็เจ็บตรงนั้นขัดตรงนี้ทนนั่งต่อไปไม่ได้ ถ้าปล่อยให้สังขารความคิดปรุงแต่งมันทำงานนะมันจะปรุงไปทางกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหาทันทีเราจึงต้องไม่ให้มันปุุงแต่งเราต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปนี้เวลานั่งสมาธินี้จะนั่งได้นานจะนั่งได้จะสงบที่นั่งได้นานก็เพราะว่ามันสงบ พุโทโธไปห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้พอจิตรวมก็นั่งได้ยาวถ้าจิตไม่รวมนี้ก็เหนื่อยต้องพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรวมถ้าหยุดพุโทโธไม่เลยมันจะปรุงแต่งไปทางตันหาความอยากทันทีเราก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะนั่งต่อไปไม่ได้สมาธิก็จะไม่เกิด เมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิดปัญญาที่เราคิดว่าเป็นปัญญามันไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งหรือมันเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้มันไม่มีกำลังที่จะไปทำลายตันหาความอยากได้มันต้องเป็นปัญญาจริงๆปัญญาจริงๆนี้มันเป็นปัญญาที่ออกจากใจที่สงบเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ภาวนามยปัญญาใจที่สงบก็คือสมถภาวนาพอปรุงแต่งไปด้วยจิตที่มีความสงบมีสมถภาวนาก็จะเป็นภาวนามยปัญญาก็จะมีกำลังที่ตับทาลายตันหาความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีสมถภาวนาไม่มีความสงบ พิจารณาไปมันก็จะเป็นสังขารสัญญาเท่านั้นเองสังขารสัญญานี้ไม่มีกําลังที่จะไปทําลายตันหาความอยากทั้งสามได้คือกามาตันหาภวตันหาและวิภวตันหาได้เหมือนตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันมีสุตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นสัญญาสังขานี่แหละ หรือว่าเราไปคิดเองเราไปพิจารณาเองมันก็เป็นสัญญาสังขารถ้าใจเรายังไม่มีความสงบเราพิจารณาปัญญามันก็จะเป็นสัญญาสังขารเท่านั้นพอเวลาตันหาเกิดขึ้นมาก็ยกธงขาวยอมแพ้ทันทีพอตันหาบอกว่าไปกินขนมหน่อยก็ไปเลยตันหาบอกว่าไปเที่ยวก็ไปเลยตันหาบอกว่าไปดูหนังฟังเพลงก็ไปเลย อันนี้แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาตันหามาชวนไปเที่ยวเหรอไม่ไปไปทาไมอยู่อย่างนี้สบายอยู่กับความสงบแสนจะสบายไปเที่ยวแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ได้แต่ความอยากกลับมาไปเที่ยวแล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ใช่ไหมมีใครเที่ยวแล้วเลิกเที่ยวบ้างไหมไปเที่ยวแล้วกลับมาชาตินี้ไม่เที่ยวอีกต่อไปแล้วพอแล้วไม่มี มีแต่อยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ไปเที่ยวตรงนั้นดีเออตอนนี้ดีเดี๋ยวพวกนี้ต้องมาใหม่เดือนหน้าต้องมาใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาที่ไม่มีสมถะภาวนารับอรองรองรับไม่มีสมาธิรองรับไม่ได้เป็นปัญญาก็าะจะไม่สามารถตัดตันหาความอยากได้เมื่อตัดตันหาความอยากไม่ได้ก็ดับความทุกข์ไม่ได้ก็วิมุติหลุดพ้นไม่ได้ อย่างการสร้างมั่งนี่ต้องสร้างต้องสร้างด้วยสติเป็นอันดับแรกพอลืมตาขึ้นมานี่ก็ต่อยคู่ต่อสู้เลยเหมือนพอเขาตีะระฆังแก้งนี่ขึ้นไปต่อยคู่ต่อสู้เลยไม่ต้องไปรอให้เขามาต่อยเราถ้าปล่อยให้เขามาต่อยเรานี่เราสู้เขาไม่ได้พอตื่นขึ้นมาถ้าปล่อยให้สังขารคิดปรุงแต่งเดี๋ยวคิดไปเที่ยวกันแนละ้คิดไปหาขนมนมนายกินกันลนะ้ ถ้าเตงขึ้นมาปั๊บพุโทโธปั๊บนี่มันจะคิดไปทางตัณหาไม่ได้มันก็จะคิดไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าจิตอยู่กับอารมณ์เดียวคืออยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอมันมีความสงบแล้วเทนี้มาพิจารณาทางปัญญามันจะเป็นปัญญามันเห็นอะไรเป็นตายรักมันจะตัดหมดเลยตัดตัณหาความอยากหมดเลย เห็นอะไรเป็นอสุภะมันก็จะตัดเห็นอะไรเป็นอาหารเลยิเป็นอาหารเลยปฏิกรูรสนญามันก็จะตัดเห็นอาหารเป็นปฏิกููนี่มันจะกินไม่ลงมันจะกินก็ต้องบังคับกินมันกินเท่านั้นกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับกินยายานี่เราปกติจะไม่อยากกินกันเห็นยาเราจะเอือม แต่ก็ต้องกินเพราะรู้ว่าถ้าไม่กินแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่หายผู้ที่มีอาหารเลยปฏกูลแสัญญาจะเห็นอาหารเป็นเหมือนยาจะไม่อยากกินแต่ต้องกินกินเพราะว่ากินเพื่ออยู่แต่ไม่ได้กินเพื่อไม่ได้อยู่เพื่อกินผู้ที่ไม่มีอาหารเลยปฏกูลแสัญญานี้อยู่เพื่อกินกันทั้งนั้นอยู่เพื่อรอเวลากินพอกินแล้วเดี๋ยวก็ดูเวลาเที่ยงหรือยังเย็นหรือยัง ถึงเวลากินหรื อ, อยังนี่แสดงว่าไม่เห็นอาหารเลยปฏิกูลลสัญญาจะรอเวลากินแต่ผู้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอยู่ได้เรื่อยนี่จะไม่อยากกินเพราะถึงเวลากินนี้ต้องบังคับใจให้กินถึงจะกินได้อาหารเลยปฏิกูลลสัญญาเป็นยังไงก็อย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้ไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเคี้ยว แล้วผสมกับน้ำลายนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันอร่อยเหลือเกินตอนที่เคี้ยววันนี้คลายมันออกมาดูถ้าหน่อยไม่ได้เหรอดูหน้าตาของความเมล็ดอร่อยนี้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วตักมันกลับเข้าไปในปากใหม่ได้หรือเปล่านี่แหละคืออาหารอะปฏิกูลและสัญญาหรือดูตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วมันอเจียนออกมาเป็นอย่างไรตักเข้าไปกินใหม่ได้ไหมหมามันกินได้แต่มันคนกินไม่ได้ เวลาอาหารที่เราอาเจียนออกมาไปทิ้งให้หมาหมามันกินอย่างสบายเลยแต่ทําไมเรากินไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นมนุษย์ฉลาดกว่ามันต้องหลายเท่ากับสู้หมาไม่ได้หมามันกินอาเจียนได้แต่คนกินอาเจียนไม่ได้นี่แหละคือวิธีที่จะดับความอยากในอาหารถ้าไม่ไม่หยุดมนันนี้มาบวชไม่ได้เพราะมาบวชนี้ต้องมีรู้จักประมาณในอาหาร จะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะต้องรับประทานอาหารน้อยๆรับพออยู่ได้รับประทานอาหารพออยู่ได้ไม่ให้อิ่มให้กินเพิ่มเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้กินให้อิ่มให้เกิดความสุขจากการรับประทานเพราะว่าถ้ารับประทานมากเกินไปมันจะง่วงนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสับประงกไม่ได้นั่งสมาธิ เวลาจะเดินจงกรมก็ไม่มีแรงเดินอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงจาเป็นจะต้องควบคุมการการรับประทานอาหารไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติธรรมก็คือไม่ให้เกิดความว่งเหงาเหงานอนไม่ให้เกิดความเกลียดครานถ้ามีความว่่งเหงาหานอนมีความเกลียดครานนี้ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปลดลงไปเรื่อยๆ จนกว่าความง่วงเหงาหานอนจะหายไปความเกียจค้านจะหายไปซึ่งบางครั้งอาจจะต้องถึงกับอดอาหารกันเลยมันถึงจะหายต อ, ตอนต้นคิดว่ากินกินหนังไม่กินหนังเที่ยงวันจะทําให้ไม่ง่วงที่ไหนได้มันก็ยังง่วงอยู่ก็ลองมากินมื้อเดียวมื้อเดียวมันก็ยังง่วงอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่กินดูนั่นแหละพ อ, อไม่กินแล้วทีนี้มันไม่ง่วงแล้วมันหิวแล้วมันก็จะตื่นะ เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่สประงกเวลาเดินจงกรมมันก็จะไม่ขี้เกียจนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำจําเป็นจะต้องทําถ้าอยากที่จะฟันฝานิวรณ์คือการมัชชะนทะหรือความง่วงเหงาหานอนถ้าไม่มีการมาตรการแบบนี้จะไม่สามารถผ่านนิวรณ์สองตัวนี้ไปได้คือการมัชชะนทะความอยากพระประทานอาหาร แล้วก็ความพอลับประทานมากไปก็เกิดความง่วงวเหงาเฮานอนเกิดความเกียดคร้านขึ้นมาภาวนาก็ต้องล้มเหลวไปจะกลายเป็นภาวนนอนไปมีแต่มือไขายคว้าหาหมอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หามรคหาผลนี่คือเรื่องของการสร้างมรคถ้าเราอยากจะเปิดประตูทั้งสี่ช่องนสี่ชั้นนี้ ชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาบันชั้นที่สองคือสกิรดาคามีชั้นที่สามคืออนาคามีและชั้นที่สี่คืออาราหันต์ต้องมีกุญแจคืออริยรรสัจสี่นี้เป็นเป็นกุญแจเปิดประตูทั้งสี่บานสี่ช่องนี้การจะมีกุญแจนี้ก็ต้องเจริญมากเพราะว่าเรามี เรามีอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วคือเรามีทุกข์แล้วมีตัณหาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีตอนนี้ก็คือไม่มีมรรคไม่มีนิโรธความดับความสิ้นสุดของความทุกข์เราจึงต้องสร้างมรรคขึ้นมาถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็จะดับไปตัณหาก็จะหายไปเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายไปนี่คือ เหตุผลที่ทำไมพวกเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีพระอริยสัจสีกุญแจที่จะเปิดประตูให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราเกาะติดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปตลอดอย่าอยู่ห่างจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราอยู่ห่างไปเราก็จะไม่ได้สร้างกุญแจเมื่อเราไม่มีกุญแจเราก็จะไม่สามารถเปิดประตูให้เราออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้จึงขอฝากเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิด ป, ปเมวะสมิจโต สัพเพปุรินตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติอระโสยัตถสภีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภว อภิวาทนสีฤทธสนิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาัต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดอยากจะถามปัญหา<ม>ก็ขอเชิญถามตอนนี้ได้เลย ถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะไม่ถามจะไม่ให้ถามไม่ตอบถามก็จะไม่ตอบ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากจะถามก็ขอให้ถามตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายคนที่ไม่ถามก็จะไม่รู้ถามแล้วก็จะได้รู้จะได้หายสงสัยถ้าไม่มีก็จะให้คําถามทางบ้านถามมาก่อน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามจากคุณคมสรรถ้าจิตรู้จากการภาวนาว่าสิ่งใดมีผลสิ่งนั้นย่อมเกิดจากเหตุเมื่อมรรเกิดเต็มที่ย่อมกาหนดรู้ทุกเต็มที่เมื่อกาหนดรู้ทุกเต็มที่ย่อมละเหตุแห่งทุกเต็มที่เมื่อละเหตุแห่งทุกเต็มที่ย่อมแจ้งเหตุแห่งทุกเต็มที่ เมื่อแจ้งเหตุแห่งทุกเต็มที่ย่อมเกิดมรรคเต็มที่ลูกมีคำถามว่าสิ่งที่จิตรู้นี้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่ครับก็ลองปฏิบัติดูไงถ้าทุกดับก็ถูกต้องถ้าทุกไม่ดับก็ไม่ถูกต้องเขาถามต่อว่าถ้าจิตรู้แบบนี้แล้วควรมีแนวทางปฏิบัติต่อจิตอย่างไรก็หลุดพ้นแล้วมันก็จะรู้เอง ถ, <อ>ถ้าไม่หลุดไปบอกมันก็ไม่รู้เรื่องอีกละมันก็ไม่เข้าใจอเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วจะรู้ไม่จะทำอะไรอิ่มแล้วก็นอนอะไยจะทำลยจากท่านต่อไปเป็นการส่งการบ้านนะคะจากคุณนิชาภาเมื่อวันที่20ถึง23พฤษภาคมสมัครเข้าคอร์าส3วันที่ทำสุวรรณาขอนแก่นพอวันศุกร์ที่22ประมาณใกล้5โมงเย็น ผู้จัดการนำโนต้ตมาให้ในห้องปฏิบัติโนต้ตนั้นเขียนว่าเชิญพบคุณเปิ้ลที่สำนักงานในใจคิดทันทีว่าคงไม่มีอะไรสำคัญแน่เดินไปเดินมาใจยังอยู่ที่ลมหายใจใต้จมูกยังนิ่งนิ่งพอไปถึงสำนักงานรู้ว่าบ้านถูกงัดใจโล่งอย่างเบาเพราะ ย, ยังดีกว่าเรื่องอุบัติเหตุแค่ทรัพย์สินหายเท่านั้นเอง ได้คุยโทรศัพท์กับสามีเขาบอกกลับบ้านนะฉันทำอะไรไม่ถูกบอกกับสามีไปว่าจะกลับเดี๋ยวนี้พอวางสายก็โทรไปแจ้งความที่หนึ่งเก้าหนึ่งและบอกเพื่อนอีกสองคนให้รีบไปที่บ้านเพราะรู้ว่าคุณสามีจะต้องตกใจมากและทำอะไรไม่ถูกแน่ๆดิฉันสังเกตในใจตนเองขณะขับรถกลับใช้เวลาประมาณสาสิบกิโลเมตร พบว่านิ่งสงบปกติดีจึงคิดอุทานว่าใจแบบนี้ใจที่ไม่หวั่นไหวเมื่อมีความสูญเสียเป็นใจที่ล้ำค่ามากมิหน้าพระพุทธเจ้าจึงยอมอดทนสอนธรรมะตั้งสี่สิบห้าปีเพราะท่านเห็นค่าของใจที่ไม่หวั่นไหวนี้เองเราคงเคยเบียดเบียนขโมยที่มางัดบ้านเราเอาโหสินะเราเกิดมาหลายภพชาติ แต่ละภพชาติล้วนมากด้วยกิเลสคงเคยไปทำอะไรเขาไว้เขาคงมาเอาคืนเอาไปเถอะแล้วเอาโหสิกรรมให้กันนะพอไปถึงบ้านรู้ว่ารายละเอียดทรัพย์สินที่หายทั้งหมดรวมประมาณ 4, 000, 000สี่แสนเศษใจเราคิดว่าของพวกนี้วันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่แล้วหายแล้วก็แล้วไปใจอยากกลับไปปฏิบัติต่อ แต่เห็นหน้าคุณสามีแล้วไปไหนไม่ลงเลยเขาเสียดายของมากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียนแพทย์มาหลายสิบปีสะสมอยู่ในนั้นคืนนั้นปฏิบัติปกติที่บ้านนอนหลับปกติดีแต่สิ่งหนึ่งที่พบคือไม่นึกเลยว่าการที่เราหมันอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอและปฏิบัติเช้าก่อนนอนวันละชั่วโมงมาเกือบครบปี ที่เข้าครั้งแรกที่ทําสุวรรณาจากนั้นก็ปฏิบัติทุกวันไม่ขาดแม้แต่วันเดียวจะช่วยให้ใจไม่ทุกข์กับของหายได้อย่างอัศจรรย์ขนาดนี้ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่าที่ปฏิบัติตามตามทางสายนี้ทุกทุกเข้าไม่ถึงใจเลยใจนิ่งสงบเป็นปกติเพราะคิดว่าอ น, นิจจังมีได้ก็หายได้เป็นธรรมดาสัพเพธรรมาอนาตตา ทุกสิ่งในโลกไม่ใช่ของเราแต่สําคัญคือแอบปิติซะอีกว่าเราสอบผ่านปัจจตังจบแล้วเหรอจบแล้วค่ะนี่แหละก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นสันิติโกไม่ต้องไปถามใครเวลาได้ผลแล้วมันไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วต้องไม่ต้องไปถามคนอื่น คนอื่นเขาจะไปรู้เราอิ่มหรือไม่อิ่มเรานั่นแหละเป็นคนรู้นะนั้นขอให้เราดูใจเราเป็นหลักดูผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นหลักและผลที่เราต้องการก็คือความสงบความเป็นปกติไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนี่ยังเป็นข้อสอบที่ยังง่ายอยู่พระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์ให้สละอวัยวะและให้สละชีวิต เพื่อรักษาใจรักษาธรรมธรรมก็คือใจนี่ให้ใจเป็นปกติอย่างนี้ยังถือว่าเป็นข้อสอบอะระดับมัธยมยังต้องไปเจอระดับปัญญาต่อไปหูหนวกตาบอดแขนขาขาดพิกลพิการดูซิว่าจะเป็นอย่างไรยังเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออยากจะคิดค่าตัวตาย คนที่คิดฆ่าตัวตายเขาเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมสอนใจเตือนใจว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไปพอมาเจอกับความแก่ความเจ็บความพิกพิกการของร่างกายก็รับไม่ได้อยากจะหนีจากมันไปก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการหนีมันไปแต่มันหนีเฉพาะ ชาตินี้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้ก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะจิตที่ข่าตัวตายนี้มันเป็นจิตที่ร้อนด้วยไฟนรกนั่นเองแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเจอปัญหาแบบเดิมเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมท่า น, นถึงบอกว่าแก้ปัญหาแบบไหนมันก็จะแก้ปัญหาแบบนั้นไปเรื่อยๆ ถ้าแก้ปัญหาแบบธรรมมันก็จะแก้ปัญหาแบบธรมไปเรื่อยๆแก้ปัญหาแบบธรรมก็อย่างที่ญาติโยมคนนี้เล่าให้ฟังพิจารนาว่ามันเป็นอนิจจังร่างกายมันเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันมันเป็นยังไงก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของมันตัวมันเองไม่เห็นมันเดือดร้อนร่างกายมันไม่เดือดร้อน เวลาแก่มันเคยบ่นกับเราไหมว่าเอ้ยฉันแกแล้วฉันไม่อยากจะอยู่มันไม่เคยบ่นแต่เราไปบ่นเองเราไปเบื่อเองทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราถึงต้องใช้ปัญญาเนี่ยมาคอยสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อของแม่มอบมาให้กับเราพอแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ เป็นดวงวิญญาณก็มาครอบครองเหมือนกับเวลาเราไปจองรถที่เขาเริ่มสร้างที่ในโรงงานยังไม่ทันสร้างเราก็ไปจองแล้วว่าขอเอารถรุ่นนี้นะพอเขาสร้างเสร็จเราก็ไปขับออกมาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอพ่อแม่เริ่มสร้างร่างกายในท้องแม่ขึ้นมาปับ๊บวิญญาณเราก็มาจองเลยจิตเราเนี่ยละ่ะ เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณก็ดวงจิตเนี่ยตัวจิตตัวรู้ตัวคิดนี่แหละที่ไปจับจองร่างกายที่อยู่ในท้องแม่แล้วพอร่างกายของนี้จเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่ก็คลอดออกมาเราก็ขับร่างกายนี้ทันทีสั่งให้มันกินให้มันดื่มให้มันรับประทานให้ขับถ่ายให้ทำอะไรต่างๆนับใช้เรามาอยู่เรื่อยๆ ช่วงที่มันแข็งแรงเราก็มีความสุขกับมันเพลิดเพลินกับมันรักมันเหมือนกับเป็นตัวเราอแต่พอมันแก่มันเจ็บทีนี้ก็เกลียดมันแลสิอยากจะฆ่ามันแล้วไม่อยากจะอยู่กับมันแล้วอันนี้พอไปฆ่ามันก็คิดว่าไปฆ่าตัวเองก็ทุกข์ใหญ่ต้องมาสอนใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันอันนี้จังมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะแก่ขนาดไหนเจ็บขนาดไหนมันก็ไม่ทำให้เราเดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือความหลงความหลงในตัวเรานี่แหละในใจเรานี่แหละเป็นหลงคิดว่ามันเป็นเราก็เลยไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้เราก็ไม่หลงเราก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายก็แก่ไปตามตามสภาพของเขาเจ็บไปตามสภาพของเขาตายไปตามสภาพของเขา เราก็รู้ไปทักสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองถ้าเรารู้เราไม่หลงเราก็จะเฉยเราก็จะปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายไม่ได้ยับยั้งมันไม่ได้ก็มีแต่ดูแลมันไปเหมือนดูแลเพื่อนร่างกายเราเ้งก็เป็นเหมือนเพื่อนหรือเหมือนเป็นคนรับใช้เราที่เขารับใช้เรามาตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน เราก็ควรจะมีความเมตตากับเขาเลี้ยงดูเขาไปช่วยรักษาปยาบาลเข้าไปจนกว่าเขาจะหมดสภาพไปก็เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเราจะรู้ได้ก็ต้องพิจารณามาปฏิบัติธรรมเจริญสติทําใจให้สงบแล้วก็เหมือนสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ามันติดเนื้อติดใจติดอยู่ในใจเหมือนกับญาติโยมที่เล่าว่าพิจารณาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองว่ามันจะต้องมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาเราเกิดเหตุการณ์นั้นใจเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่สามีที่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติใจก็เสียอกเสียใจทาใจไม่ได้นี่แหละความแตกต่าง ของผู้ที่มีปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ได้ปฏิบัติธรรมใจจะวุ่นวายถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปราถนาเกิดขึ้นมาแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ได้ปฏิบัติธรรมได้มีปัญญาแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยวันนี้มีข้อเดียวนะ <Okay. S 1> มีใครอยากจะถามไหมในนี้ ตอนนี้เปิดเวลาให้นั่งคิดกันสักพักก็ได้เพือยากจะถา ม, มเพราะเดี๋ยวปิดแล้มาถามไม่ตอบจริงๆนะไม่ได้พูดโกหกนะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่เมตตาอตอนนี้เมตตาเต็มที่แล้วเนี่ยใครอยากจะถามมาถามเลยถ้าไม่ถามก็กลับไปปฏิบัติธรรมกันก็แล้วกันนะ ปฏิบัติทำให้เหมือนกับญาติโยมที่เขามาส่งการบ้านอย่าไปทุกข์กับการสูญเสียกับสิ่งต่างๆไปต่อไปอาจจะเสียสามีก็ได้นะบอกก็ดูซิว่าจะทุกข์ไหมตอนนี้เสียก็สุขขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ